ความหลังในสังสารบทที่16คืนสุดท้ายแห่งการปฏิบัติในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจมาปฏิบัติวันเวลาผ่านไปรวดเร็วนัก พรุ่งนี้ก็จะต้องลากรรมาฐานกลับบ้านเรือนไปทำงานทางโลกคงอีกนานกว่าจะได้มาปฏิบัติงานทางธรรมส่วนผู้มาปฏิบัติแก้บนกลับรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้านับคืนนับวันที่จะให้ถึงวันสุดท้ายบุรุษหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านไปกินนอนให้สบายอกสบายใจอยู่วัดกินอดอดอยากยา ก, ยากจะกินต้มยากุ้ง กินหมูหันก็ไม่มีให้กินครั้นจะออกไปซื้อกินที่ร้านค้าก็มีกฎห้ามผู้ปฏิบัติออกนอกเขตวัดซสอีกน่าเบื่อเหลือเกินขอมาครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตพระอาจารย์ท่านบอกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเราก็มาปฏิบัติจนถึงคืนสุดท้ายแล้วยังไม่เจอบุญที่ไหนเลย มีแต่ความอึดอัดขัดข้องพรุ่งนี้ตีสี่ปฏิบัติอีกหนึ่งรอบอาจจะเจอบุญกระมังแต่จะเจอหรือไม่เจอก็ไม่สนใจพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านไปพบหน้าลูกเมียก็ดีใจแล้วเอเรามาตั้งเจ็ดวันเมียจะแอบไปมีชู้หรือเปล่านอแต่ช่างมันเถอะหาเมียใหม่ก็ได้แผ่นดินแม่ไร้เท่าใบพุทรา โลกนี้หรือใช่มีแต่สามวัยถึงไม่รักไม่แคร์อันใดไม่โศกใจเศร้าโศกาทั่วแคว้นแดนแผ่นดินสิ้นพระสุทธาใช่จะไร้เท่าใบผู้สาหญิงอื่นพอหามาเคียงใจอย่าไม้คิดว่าชายจนปัญญาหญิงหมื่นแสนทั่วแดนโลกาเฝ้าสบตายัางถมไปท่านพระครูเดินเข้ามาในหอประชุมเวลาสองทุ่มยี่สิบ หลังจากแม่พินนำผู้ปฏิบัติธรรมทำวัดเย็นใช้เวลาเพียง20นาทีเพราะพระอาจารย์สั่งว่าไม่ต้องแปลทำวัดเย็นเสร็จก็ให้เดินหนึ่งนั่งหนึ่งจนถึงเวลาสองทุ่มสิบจากนั้นท่านจะมาปัดชิมนิเทศไปจนถึงสี่ทุ่มพระอาจารย์รู้ว่าผู้มาปฏิบัติในครั้งนี้ทั้งที่มาโดยตั้งใจและที่มาแก้บนพากันส่งจิตออกนอก เพราะตื่นเต้นที่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายท่านจึงพูดจี้จุดคนที่คิดไม่เป็นกุศลว่าบางคนก็ไม่เชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยคิดดูถูกอาตมาหาว่าพูดไม่จริงมันจะจริงได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติแต่มาเพื่อแก้บนจึงไม่เจอบุญ บุญอยู่ในตัวเรานี่เองเราต้องเอาบุญเข้าตัวด้วยการปฏิบัติเมื่อโยมไม่ปฏิบัติโยมก็เลยไม่เจอบุญแล้วจะมาหาว่าอาตมาพูดไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่แฟร์สำหรับอาตมานะสิหรือว่าโยมว่าอย่างไรท่านใช้คําภาษาต่างประเทศแล้วจึงถามความเห็นของผู้ปฏิบัติจริงค่ะคนที่คิดแบบนี้ไม่แฟร์สหรับพระอาจารย์เลย สตรีผู้หนึ่งเห็นด้วยบุรุษซึ่งเป็นเจ้าของความคิดนี้นั่งเงียบกลิบหากก็ยังไม่เชื่อว่าพระอาจารย์จะรู้ความคิดของเขาท่านอาจจะเดาวเอาก็ได้ท่านพระครูอยากให้เขารู้ว่าพระอาจารย์ไม่ได้ดาวจึงพูดว่าอัตมาไม่ได้ดาวแต่ประการใดอัตมาได้ยินนะมีคนบ่นในใจให้อัตมาได้ยิน บุรุษหนึ่งแย้งขึ้นว่าเขาบ่นในใจแล้วทำไมพระอาจารย์ได้ยินล่ะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเวลาใครบ่นดังๆอัตมามักไม่ได้ยินเพราะเสียงมันดังเลยหูไปแต่ถ้าใครบ่นในใจแล้วก็ได้ยินชัดแจ๋วเลยพระอาจารย์มุสาหรือเปล่าบุรุษผู้เป็นเจ้าของความคิดต้องการทดสอบจึงบ่นในใจอีก หากก็ต้องผิดหวังที่พระอาจารย์ตอบอย่างชัดถ้อยชัดคําว่าอัตมาไม่ได้มุสาเป็นพระมุสาได้หรือเอาละ่ะที่นี้อัตมาจะบอกว่ามีคนบ่นในใจหาว่ามาอยู่วัดกินอดๆอยากๆต้มยํากุ้งหมูหันก็ไม่มีให้รับประทานนี่อัตมาแปลงสารไปเล็กน้อยความจริงเขาบ่นในใจว่าจะกินต้มยํำกุ้ง กินหมูหันก็ไม่มีให้กินจะออกไปกินนอกเขตวัดก็ไม่ได้สรุปแล้วเขาคิดว่าเขายังไม่เจอบุญแล้วเขาก็ดีใจที่ปรุ่งนี้จะได้กลับบ้านเขากลัวภรรยาหนอกใจทิ้เข้ามานานถึงเจ็ดวันแต่เขาก็ทําใจแล้วว่าถ้าภรรยาหนอกใจเขาเขาก็จะหาภรรยาใหม่ รอบแผ่นดินแม่ไร่ทถาใบพุทราใจไม่โ ย, ยมท่านตั้งใจถามบุรุษที่นั่งติดกับเจ้าของความคิดผมไม่ทราบครับสำหรับตัวผมไม่ได้คิดอย่างนี้ถ้าจะให้ดีผมว่าพระอาจารย์ถามเลยดีกว่าว่าใครบ่นในใจอย่างนี้ท่านพระครูมองไปยังบุรุษนั้น เขาไม่กล้าสบตาได้แต่ก้มหน้านิ่งอยู่พูดในใจว่าพระอาจารย์ครับผมขอขมาลาโทษผมผิดไปแล้วครับท่านพระครูจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะไม่อยากให้เขาอึดอัดขัดข้องใจมากไปกว่านี้เอาละ่ะอรัมพบทมาพอหอมปากหอมคอแล้วที่นี้ก็มาประเมินผลการปฏิบัติกันดีกว่า ปฏิบัติกันมาเจ็ดวันนี้มีใครได้ของดีกลับไปบ้างของดีในที่นี้ท่านหมายถึงการได้ดวงตาเห็นธรรมที่โยมเสงได้ขณะเจริญพระพุทธมนตรรมจักกับประวัตนัสูตรธนะธรรมเมกาสถูปตำบลสารนาศประเทศอินเดียท่านถามทั้งที่รู้ว่านานาศาสนิกที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี้ ไม่มีผู้ใดได้ของดีไปแม้แต่คนเดียวคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัตินั้นไม่ต้องพูดถึงส่วนคนที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ของดีเพราะอินทรีย์ยังอ่อนอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์5คือธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนมี5อย่างได้แก่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิ ความตั้งจิตมั่นและปัญญาความรู้ทั่วชัดทําที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหมายความว่าเป็นใหญ่ในการทําหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างของตนคือเป็นเจ้าการในการครอบงามเสียซึ่งความไร้ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงตามลาดับท่านสำรวจดูแล้วว่าผู้ปฏิบัติที่นั่งอยู่ณที่นี้ ไม่มีใครสักคนได้ดวงตาเห็นธรรมท่านจึงไม่อธิบายเรื่องอินสีห้าให้พวกเขาฟังเพราะถึงอธิบายไปก็ไร้ประโยชน์ด้วยว่ายังไม่ถึงเวลาของพวกเขาที่จะรู้ได้มีใครได้ของดีกลับไปบ้างท่านถามอีกมีผู้ยกมือเจ็ดคนเป็นสตรีห้าบุรุษสองโยมได้ของดีอะไร ท่านถามบุรุษก่อนเขาเป็นชาวมุสลิมมาปฏิบัติเพราะเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะแพทย์จะผ่าตัดเอานิ้วออกต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณสองหมื่นบาทเขาไม่มีเงินและไม่ต้องการไปหยิบยืมใครพอดีมีเพื่อนที่เป็นชาวพุทธแนะนำว่าให้ลองมาปฏิบตัติพระอาจารย์ท่านช่วยได้เขาก็มาตามคาแนะนาของเพื่อน วันแรกเมื่อเขากราบเรียนท่านท่านบอกว่าไม่ต้องผ่าตาดัดให้ปฏิบัติอย่างจริงจังจะหายได้ภายในเจ็ดวันเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหากก็ปฏิบัติอย่างตั้งใจทั้งที่ปวดแสนปวดทุกครั้งที่ปัสสาวะแต่พระอาจารย์ก็ขอยให้กำลังใจตอนปฏิบัติช่วงบ่ายวันนี้เขารู้สึกปวดมากที่สุด ปวดราวกับว่าชีวิตจะดำรงคงอยู่ต่อไปไม่ได้เขาแทบจะคลานไปยังห้องสุขาเลยทีเดียวพอไปถึงเขาก็ปัสสาวะแต่รู้สึกขัดปัสสาวะไม่ค่อยจะออกเขาจึงกําหนดปวดหนอปวดหนอขัดหนอขัดหนอตามที่พระอาจารย์ท่านได้แนะนำไว้และแล้วเขาก็พ้นเวรกรรมเมื่อก้อนนิ้วเล็กๆแข็งเหมือนก้อนกรวด ออกปนมากับปัสสาวะกระทบโถปัสสาวะดังกิกทันทีที่ปัสสาวะเสร็จความเจ็บปวดก็อันตรธานไปสิน้นผมหายจากโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเขาคิดว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันปิดการอบรมเขาจะถวายปัจจัยท่าน2 0 0พันบาทที่ท่านทำให้เขาไม่ต้องเสียเงินตั้งสอง0 0บาท ท่านพระครูแสดงมุทิตาจิตต่อเขาว่าอาตมาขอแสดงความยินดีที่โยมสามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้โยมได้บุญกลับไปแล้วท่านไม่พูดว่าได้ของดีกลับไปเพราะเขายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วโยมละ่ะท่านถามบุรุษอีกคนที่ยกมือผมก็ได้ของดีตรงที่ผมคิดได้แล้วว่า ต่อไปนี้ผมจะไม่ทุบตีภรรยาเอเพราะเขาเปรียบเสมือนแม่ของผมเ้าหุงข้าวทำกับข้าวให้ผมกินเลี้ยงลูกให้ผมเวลาผมท้อทแท้เขาก็ให้กำลังใจแต่ผมนิสัยไม่ดีพอเมามาที่ยไรเป็นทุบตีเขาทุกครั้งต่อไปนี้ผมจะเลิกดื่มเหล้าจะได้ไม่เมาเมื่อไม่เมาก็ไม่ได้ทุบตีภรรยา แต่ก่อนผมดื่มเหล้าตอนเย็นหลังเลิกงานทุกวันมาปฏิบัติวันแรกผมรู้สึกเปรี้ยวปากอยากดื่มเหล้ามากภรรยาได้เตรียมลูกอมเผ็ดๆมาให้อมพอวันหลังๆผมก็หายเปรี้ยวปากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต่อแต่นี้ไปผมจะไม่เสียเงินซื้อเหล้าแม้แต่สตางแดงเดียว ถ้ามีคนซื้อเลี้ยงล่ะมีเสียงถามมาจากด้านหลังเขาหันไปตอบว่าผมก็จะบอกเขาว่าขอบคุณแต่ผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตสาธุผู้ปฏิบัติธรรมเพ่งเสียงสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันท่านพระครูประเมินผลบุรุษนี้ว่าขออนุโมทนาที่โยมได้บุญกลับไป เรียกว่าเป็นบุญของโยมและภรรยาโดยเฉพาะภรรยานั้นได้บุญมากเลยทีเดียวเพราะต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องกินข้าวกับยำสอกยำเข่าของโยมท่านรู้ว่าบุรุษนี้ลงสอกลงเข่าภรรยาเป็นนิจจสีลนฝ่ายภรรยาก็ทนอยู่ด้วยกันมาเพราะเห็นแก่ลูกผมผิดไปแล้วครับพระอาจารย์ต่อไปนี้ผมจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่ จะรักเมียเหมือนรักแม่แล้วก็จะเรียกเมียว่าแม่เพราะผมไม่มีแม่มาหลายปีแล้วบุรุษนั้นพูดทั้งน้าตาเปลี่ยนมาเรียกภรรยาว่าเมียตามความเคยชินแล้วยมผู้หญิงละ่ะที่ยกมือห้าคนนั้นได้อะไรกลับไปบ้างได้ของดีกลับไปค่ะสตรีทั้งห้าตอบพร้อมกันไหนว่าไปทีละคนซิ ที่ว่าได้ของดีน่ะดีอย่างไรดิฉันหายโกรธเมียน้อยแล้วค่ะกลับไปบ้านว่าจะโทรศัพท์ไปขอโทษที่ดิฉันตามไปอรารวาดเขาหลายครั้งหลายหนสตรีคนแรกกราบเรียนส่วนคนที่สองกราบเรียนว่าดิฉันจะเลิกทะเลาะ ก, กับสามีค่ะคนที่สามเป็นหญิงอายุประมาณ20สิปีหล่อนร้องไห้สอือกสือื่นขณะกราบเรียนว่า หลวงพ่อคะหนูจะกลับไปกราบเท้าขอเข้ามาคุณพ่อกับคุณแม่คะ่ะหนูเพิ่งมารู้จักตัวเองวันนี้เองว่าหนูเป็นลูกที่เลวมากหนูเถียงคุณพ่อคุณแม่คาไม่ตกฟากท่านบอกท่านสอนอะไรหนูก็ไม่ทําแบบนี้หนูจะตกนรกไหมคะเพราะหนูทําไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ไวมากหล่อนเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อและแทนตัวเองว่าหนู ท่านพระครูตอบว่าตกแน่นอนหลวงพ่อดูหน้าแล้วหนูเป็นลูกไม่ดีอย่างที่พูดมานั่นแหละจำได้ไหมตอนที่หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมหกหนูอยากได้นาฬิกาเรือนใหม่ที่ราคาแพงกว่าเรือนเกา่าหนูก็ไปขอเงินคุณพ่อซื้อคุณพ่อบอกว่าเรือนเก่ายังดีอยู่เพราะพ่อซื้อมาจากสวิตเท่านั้นแหละ หนูกโกรธ ถ, ถึงกับเอานาฬิกาที่คุณพ่อซื้อให้คว้างใส่หน้าท่านถูกหน้าภากเย็บตั้งสีเข็มไม่ใช่หรือคำพูดของท่านพรักครูทำให้หญิงสาวร้องไห้โฮขณะเดียวกันก็รู้สึกศรัทธาในหลวงพ่อยิ่งนักเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นมานานหลายปีจนหล่อนเองก็ลืมมันไปแล้วแต่เมื่อตอนบ่ายนี้เองที่หล่อนระลึกได้และรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้ง หาก็เก็บงำไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะรู้สึกอับอายถ้าจะพูดออกมาแต่หลวงพ่อท่านรู้จนได้นี่หล่อนจะต้องทำอย่างไรจึงจะปลดเปื่องบาปกรรมที่ทำไว้เมื่อหลายปีมาแล้วท่านพระครู ป, ปล่อยให้หล่อนร้องไห้จนเป็นที่พอใจและจึงพูดว่าอ้าวละไม่ต้องร้องไห้หลวงพ่อกำลังจะบอกว่า หนูเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ความผิดของหนูคนเดียวคุณพ่อของหนูก็มีส่วนทํำให้หนูเป็นอย่างนี้ด้วยหลวงพ่อจะพูดตรงๆเลยว่าคุณพ่อของหนูไม่ฉลาดในการเลี้ยงลูกเขาเป็นหมอใช่ไหมปกติคนที่เป็นหมอได้ต้องฉลาดเพราะไม่เช่นนั้นก็เรียนหมอไม่ได้จริงไหมหนูจะไปบอกคุณพ่อก็ได้ว่าหลวงพ่อขอตําหนิว่าไม่ฉลาดในการเลี้ยงลูก ตามใจลูกจนเกินไปลูกทำผิดก็ไม่ทำโทษหนูเอานาฬิกาขว่างใส่หน้าคุณพ่อจนหน้าภากแตกเย็บตั้งสี่เข็มแต่ท่านก็ไม่เคียนหนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่ารักหนูมากเคียนไม่ลงหญิงสาวตอบทั้งศรัทธาและประหลาดใจว่าทำไมท่านจึงรู้เรื่องของหลอนหรือว่ามีคนมาเล่าให้ฟัง ไม่ต้องมีใครมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหรอกหนูปฏิบัติจนถึงขั้นหนูก็สามารถรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อรู้โยมนานาศ า, าสนิกในที่นี้ก็เช่นกันถ้าโยมต้องการรู้อย่างที่อาตมารู้โยมก็อทำได้ทำยากไหมคะทำยากไหมครับนานาศ า, าสนิกถามขึ้นพร้อมกันไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธาและความเพียร หากก็ไม่ง่ายสําหรับผู้ที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้อย่างที่มาปฏิบัติเจวันนี้ถ้าครปฏิบัติอย่างตั้งใจไม่เกเรเลยตลอดเจ็ดวันกลับบ้านไปก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันเมื่อเหตุปัจจัยครบเมื่อไรเมื่อนั้นก็สามารถรู้ได้ท่านพระครูแนะนำหญิงสาว ที่มีพ่อไม่ฉลาดในการเลี้ยงลูกยังไม่จบเรื่องของตนจึงพูดต่ออีกว่าหลวงพ่อคะที่หนูสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้ก็เพราะเวรกรรมที่ทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะหนูสอบเอ็นทรานมาสามปีติดติดกันไม่ติดเลยสักปี จนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาสอบได้เรียนปีสกันแล้วในเมื่อหนูก็รับกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้ายังจะต้องไปตกนรกอีกหรอคะทําไมกรรมถึงใจร้ายกับหนูอย่างนี้หล่อนเริ่มหาเรื่องกับกรรมหนูอย่าไปโทษกรรมต้องโทษตัวเองที่กรรมใจร้ายกับหนูเพราะหนูใจร้ายกับกรรมก่อนกรรมก็คือการกระทํา ที่เกิดจากเจตนาเมื่อเราทำโดยเจตนากรรมนั้นก็เป็นของเราเราทำโดยเจตนาดีก็เป็นกรรมดีทำโดยเจตนาชั่วก็เป็นกรรมชั่วเอาละอย่าเพิ่งถามอะไรท่านรู้ว่าหล่อนกำลังจะถามวิธีแก้กรรมท่านยังไม่ตอบเพราะรายที่สี่และที่หก็มาเหมือนๆกันคือทำกรรมกับพ่อแม่ แล้วท่านจึงถามสตรีคนที่สีที่ท่านรู้ว่าเป็นถึงรองอธิบดีว่าโยมได้ของดีอะไรกลับไปดิฉันก็จะกลับไปกราบเท้าขอขามาแม่ค่ะดิฉันทํากรรมไม่ดีไว้กับท่านมากเพิ่งมาสำนึกได้ในห้องกรรมฐานนี้เองดิฉันคิดว่าตัวเองต้องตกนรกแน่นอนตอนแรกก็ไม่อยากเล่าในที่นี้เพราะดิฉันรู้สึกอับอาย แต่เมื่อคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังทำอย่างดิฉันหรือว่ากำลังจะทำจึงจำต้องยอมอายดิฉันเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการดิฉันเกลียดแม่มาตั้งแต่จำความได้เพราะแม่ไม่รักดิฉันเลยรักแต่พี่ชายกับน้องชายเตียซะอีกที่ดูจะรักลูกเท่าๆกันแม่ไม่ต้องการให้ดิฉันเรียนต่อบอกว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนมาก เดี๋ยวก็มีผัวออกเรือนไปดิฉันก็ไม่ฟังพยายามเรียนแข่งกับพี่ชายและน้องชายพวกเขาเรียนจบปริญญาโทดิฉันพยายามทําให้ได้อย่างพวกเขาเมื่อจบปริญญาโทแล้วก็สอบเข้าเป็นข้าราชการดิฉันรับราชการมา20ปีแล้วค่ะเตียก็ดีใจที่ลูกสาวเป็นข้าราชการแต่แม่กลับพูดถากถางดิฉันแทบทุกวันว่า เป็นข้าราชการเงินเดือนไม่พอยาไสา้สู้พี่ชายกับน้องชายที่ทำงานบริษัทไม่ได้ท่านพระครูพูดขัดจังหวะขึ้นว่าแล้วเดี๋ยวนี้แม่ยังว่าโยมอยู่อีกรึเปล่าว่าเงินเดือนไม่พอยาไสานะ่น่ะเพราะตอนนี้โยมมีตาแหน่งเป็นรองอธิบดีเงินเดือนพอๆกับพี่ชายน้องชายแล้วคำพูดของท่านทาให้ผู้ปฏิบัติทุกคนรู้ว่า ล่อนมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงรองอธิบดีไม่ว่าแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ถึงจะไม่ว่าแม่ก็ยังไม่รักดิฉันอยู่ดีขนาดตอนนี้เราอยู่กันสองแม่ลูกแม่ก็ยังบ่นว่าดิฉันไม่เว้นแต่ละวันพี่ชายน้องชายแต่งงานไปอยู่กับบ้านภรรยาไม่ค่อยได้มาดูแลแม่ไม่รู้ว่าพบเขาราคาญที่แม่ชอบบน่นชอบว่าดิฉันหรือเปล่า ปีที่แล้วเตี่ยเสียดิฉันก็อยู่กับแม่สองคนคิดว่าคราวนี้แม่คงจะรักดิฉันบ้างแต่เปล่าเลยแม่กระพูดบ่อยว่าถ้าเขาตายเขาจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้พี่ชายกับน้องชายจะไม่ให้ดิฉันแม้แต่สตางค์แดงเดียวดิฉันก็เลยเกลียดแม่ดิฉันขอสารภาพกับพระอาจารย์นะคะว่าดิฉันเกลียดแม่ถึงกับบางครั้งแอบแช่งให้ตาย ดิฉันบาปมากใช่ไหมคะดิฉันเพิ่งมาสํานึกได้ในวันที่สของการปฏิบัติว่าดิฉันไม่ควรเกลียดแม่เพราะถึงอย่างไรแม่ก็เลี้ยงดิฉันมาจนโตถ้าแม่เอาขี้เท่ายัดปากให้ดิฉันตายตั้งแต่คลอดใหม่ๆดิฉันก็คงไม่ได้เป็นถึงรองอธิบดีดิฉันสํานึกได้แล้วและจะไปกราบขอขามาแม่ดิฉันจะหมดเวรหมดกรรมไมคฆ่าพระอาจารย์ เรื่องหมดเวรหมดกรรมน่ะพักไว้ก่อนแต่อาตมาอยากถามโยมว่าโยมรู้ตัวไม่ไว่าโยมกําลังรับกรรมที่ทำกับแม่อยู่โดยที่โยมเองก็ไม่ทราบกรรมอะไรคะดิฉันไม่ทราบว่าตัวเองกําลังรับกรรมอะไรรู้แต่ว่าดิฉันจเจริญในหน้าที่การงานจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นถึงรองอธิบดีก่อนกเกษียณอาจจะได้ขึ้นถึงอธิบดีหรือไม่ก็รองปลัดกระทรวง ลลอนวาดหวังอนาคตนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่โยมไม่ทราบจริงๆหรือว่าปัจจุบันโยมกำลังรับกรรมอยู่ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์โปรดบอกดิฉันด้วยเถอะค่ะตกลมอาตมาจะบอกอย่าหาว่าอาตมาเอาความลับของโยมมาเปิดเผยนะรับรองว่า ง, งานนี้โยมไม่ขาดทุนแน่ แต่ได้กำไรหลายเท่าตัวเชลยละพระอาจารย์บอกได้เลยค่ะดิฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความลับอะไรที่จะต้องปิดบงังดิฉันไม่เคยช่อราดบังหลวงไม่เคยคดโกงไม่เคยทุจริตในหน้าที่ราชการไม่เคยเป็นเมียน้อยหรือเมียเก็บของไกลดิฉันภูมิใจในตัวเองที่เป็นข้าราชการมือสะอาดเคยเห็นข้าราชการเลวๆนักการเมืองชั่วๆ ที่ทุจริตคดโกงแผ่นดินดิฉันเศร้าใจมากแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้เพราะคนเลวคนชั่วสมัยนี้เขาทำกันเป็นทีมสร้างพยานหลักฐานเท็จเสร็จสับแล้วพวกข้าราชการดีๆนักการเมืองดีๆก็มีน้อยลงไปทุกวันจ น, จนจวนจะศูนย์พันอยู่แล้วขอประทานโทษดิฉันบ่นเพลินไปหน่อยนิมนต์พระอาจารย์พูดต่อค่ะ หลอนยกมือประนมขณะนิมนต์แม่อาตมาฟังเพลินเลยอาตมาก็พอจะทราบมาบ้างว่าข้าราชการยุคนี้หาดียากท่านไม่แตะต้องนักการเมืองเพราะพวกเขามาเร็วไปเร็วอยู่ไม่นานเหมือนข้าราชการที่ว่าหาดียากก็คือ โกงชาติโกงแผ่นดินกันโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีบางคนก็ชั่วร้ายถึงขนาดพยามั จ, จุราชไม่กล้าเอาตัวไปลงนรกเพราะท่านกลัวว่าคนพวกนี้จะไปทาให้นรกปานป่วนแต่ก็ช่างเถอะปล่อยให้เขาลอยนวลไปก่อนแล้วกรรมก็จะย้อนมาเช็คบิน ท่านใช้สำนวนสมัยใหม่เอาละ่ะที่นี่มาพูดเรื่องของโยมรองอธิบดีความลับของโยมก็คือโยมมีกลิ่นตัวแรงมาตั้งแต่เริ่มแต่กรุ่นสาวอัตมาขอถามก่อนว่าจริงหรือเปล่าถ้ายมว่าไม่จริงอัตมาก็จะไม่พูดต่อรองอธิบดีตอบทันทีว่าจริงค่ะตอนแรกดิฉันคิดว่าเป็นธรรมดาของวัยรุ่น แต่เมื่อโตเป็นสาวเต็มตัวกลิ่นตัวก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดไปดิฉันได้พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดใหม่ๆก็ใช้สารส้มถูรักแร้เวลาอาบน้ำเสร็จต่อมาก็ใช้ยาระ ง, งับกลิ่นตัวที่เขาโฆษณาขายทางทีวีพอเงินเดือนมากขึ้นดิฉันก็ลงทุนซื้อน้ำหอมที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมาใช้ขวดหนึ่งราคาตั้งหลายพัน แต่ก็ยิ่งทําให้เหม็นหนักกว่าเก่าจนดิฉันหมดปัญญาเคยไปปรึกษาหมอคลินิกหมอก็หาสาเหตุไม่พบพระอาจารย์พูดขึ้นว่าจะพบได้อย่างไรล่ะก็หมอเขารักษาได้แต่โรคกายส่วนโรคกรรมเขารักษาไม่ได้เพราะไม่ได้เข้ากรรมฐานเอาเป็นวายโยมาเข้ากรรมฐานครั้งนี้กลับไปกลิ่นตัวหายแน่นอน แต่ต้องทำตามที่อาตมาแนะนำประเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำอย่างไรขอคนสุดท้ายพูดบ้างโยมว่าไปเลยว่าได้ของดีอะไรกลับไปท่านบอกสตรีคนที่ห้าสตรีวัยสี่ิเศษจึงพูดว่าดิฉันจะกลับไปขอขมาพ่อคะ่ะเพราะทำกรรมกับพ่อไว้มากดิฉันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นบาปในช่วงที่นั่งบัลลังก์ที่ผ่านมา ดิฉันเห็นความไม่ดีของตัวเองที่ทำไว้กับพ่อดิฉันเสียใจนั่งน้ำตาไหลพรากๆจนครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจลาพักร้อนมาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันไม่เช่นนั้นดิฉันก็คงเป็นลูกอกตันยูและก็บาปหนักหนาสาหัสมากที่ทำกับพ่อของตัวเองด้วยการสาบแช่งทุกวันดิฉันสาบแช่งพ่อขอให้พ่อตายเร็วๆ เพื่อที่ลูกๆของเขาที่เกิดกับเมียใหม่จะได้อดตายตามไปด้วยเรื่องของดิชันก็ไม่ต่างจากนิยายน้ำเน่าที่ดิชันหลงไปว่าตัวเองเป็นนางเอกเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแท้จริงแล้วดิชันเป็นนางร้ายนางมาร น, นางชั่วช้าสารพัดคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้เป็นนางเอกตำหนิตัวเองจากนั้นจึงเล่า ว, ว่า พ่อดิฉันทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่ไม่ได้ทำงานพ่อกับแม่มีลูกคนเดียวคือดิฉันเราสามคนพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขตามอั ต, ตภาพดิฉันเป็นคนเรียนหนังสือเก่งสอบได้ที่หนึ่งของห้องตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมพอจบมศ ส, สมก็สอบเข้าเรียนต่อชั้นมศ ส, สที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ ดิฉันตั้งความหวังไว้ว่าจะเรียนแพทย์และหากไม่ถูกมรสุมชีวิตกระนำย่ายีจนย่าแย่ดิฉันก็คงจะได้เป็นแพทย์ตามที่ใฝ่ฝันหลอนหยุดตั้งสติแล้วจึงเล่าต่อพอขึ้นชั้นมส .5 พ่อก็ถูกย้ายไปอยู่ที่เขื่อนอุตรดิตแล้วดิฉันกับแม่ก็ถูกลอยแพรเพราะพ่อมีจดหมายมาหาเราเพียงสองฉบับ จากนั้นก็เงียบหายไปไม่ส่งค่าวคราลมาอีกเลยเงินทองก็ไม่ส่งมาให้แม่ใช้เราสองคนแม่ลูกตกที่นั่งลำบากแม่ต้องทำขนมหาไปขายตามบ้านคนวันหยุดดิฉันก็ไปช่วยแม่หาบขนมขายโดยไม่อายใครว่าดิฉันเป็นนักเรียนเปรียมอุดมแต่มาหาขนมขายดิฉันเลิกล้มความคิดที่จะเรียนแพทย์เพราะแม่คงส่งไม่ไหว มาเลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแทนแม่หาบขนมขายส่งดิฉันเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้งานทําที่การไฟฟ้ า, ฟานครหลวงดิฉันให้แม่เลิกหาบขนมขายเพราะหลังแม่เริ่มโกมอันเนื่องมาจากหาบของหนักทุกวันจะหยุดบ้างก็ต่อเมื่อเจ็บไข้จนไม่มีแรงหาบขนมเท่านั้นหล่อนร้องไห้มานึกถึงสภาพตอนที่แม่ป่วย